พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่ารักษาใจก็อพอวันนี้เป็นวันที่ สิงหาคมพุทธศักราช2556เมื่อวานเป็นวันพระแรม15ค่ําเดือน8เมื่อวานมีคณะสงฆ์อำเภอน้ํามสมมีท่านเจ้าคณะอําเภอวัดโพนาเหลาหลวงพ่อบุญมี เป็นประธานพระผู้ใหญ่แต่ก่อนก็มีทั้งนายูงทั้งน้ำโสมแต่เมื่อวานมองดูเห็นน้ำโสมมากกว่าพระจําพรรษาในเขตอำเภอน้ำโสมดูในบัญชีกลางปีเฮ น, นก็มีบัญชีกลางปีเหมือนกันนะพอเข้าพรรษานะก็จะมีบัญชีกลางปี พระอำเภอน้ำโสมปีนี้ร้อยห้าสิบอดรูปพระทั้งหมดทั้งอำเภอน้ำโสมแล้วก็สัมมเนนยี่สิบรูปแต่นายุงหลวงพ่อยังไม่ทราบนายูงเนี่ยยังไม่ทราบยอดว่าพระจำพรรษาเขตอำเภอนายุงของเราเนี่ยเท่าไหร่ก็คงจะไม่มากเพราะแต่ละวัดนี่ก็น้อยแล้วก็อำเภอบ้านผือ พระเพิ่มปีนี้พระทั้งหมดสามร้อยกว่ารูปพระจำพรรษาที่เขตอำเภอบ้านผือแต่เมื่อวานเนี่ยก็หลวงพ่อก็ได้แนวให้พระลูกหลานกณศัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อในช่วงนี้ถ้ามามาทามาเป็นพระหลืมาเป็นวัดหลวงพ่อจะแนว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 ยึดตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านพาปฏิบัติมาอย่างไรแนะนำอย่างไรกอให้พระลูกพระหลานเดินตามแนวแถวหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุทธโธเป็นหลักถ้าว่าคนาพระของเรามีพุทธโธอยู่ในใจมีสติสัมปชัญญะในใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปด้วยแต่ถ้าว่าเราไปพูดแต่เรื่องศีลอย่างเดียวอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้คณะสัตยาญาติโยมพระเนรได้ฟังพระในครั้งพระพุทธเจ้าสัตยาญาติโยมอยากจะได้บุญพระชีตน้นชีต้นก็คือใครก็ว่าเป็นเจ้าอาวาสในถี่นั่นโอ้โยมอยากจะได้บุญ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 เป็นผู้มีศีลแล้วคล้ายๆปรใครเข้ามาใกล้กไว้เนื้อเชื่อใจจุกเย็นเป็นสุขคนมีศีลพอรักษาศีลห้าแล้วจะทำยังไงได้บุญมากขึ้นไปอีกเออรักษาศีลอุโบสถเป็นครั้งคราวแปดค่ำสิบ้าค่ำเพื่อจะได้ชำระใจเป็นส่วนตัวเป็นการมองตนเองรักษาศีลอุโบสถ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 อันนี้ก็คือเมื่อปฏิบัติไปแล้วเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็มีความสุขในระดับหนึ่งอย่าทํำยังไงผมจึงจะได้บุญมากกว่านี้เอกพระก็บอกบวชเพราะมันตัดกิเลสโลภโกรธหลงในใจนั่นแหละถ้าตัดได้เป็นบรมบสุขโยมผู้อยากได้บุญมากก็เลยเอาบวชก็บวชอยากได้บุญมากแะ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 ปวินัยห้ามเลยนะห้ามสอนวินัยให้กับผู้ที่จะบวชข้างผู้ใดก็ดีก็ตามสอนวินัยก่อนบวชปรับอวบัดทุกกฎ เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าพระคนในครั้งพุทธกาลก่อนที่จะเข้ามาบวชผมมีศรัทธาครับผมอยากจะบวชบวชเข้ามาต้องนี่นะปวินัยต้องไปอย่างนี้นะปาราชิกสีตั้งขาที่เศษสิบสามอานิยตสอง นักจียปาจิตตี 30, 8, 9, 2, 4, สมสิบปาจิตตเก้าสิบสองปฏิเทสนิยะสี่เสษกิยวัตเจ็ดสิบห้าอธิกรณะสมทะเจ็ดรวมเป็นสองอยี่สบเจ็ดอันนี้คือสินรักษาเป็นประจำและอภิสมากจารยังมีอีกกว่านี้พอโยมที่จะบวชได้ยินเท่า น, นั้นแหละจะให้ผมรักษาสินขนาดนั้นไม่ไหวหรอกอผมกระดุกกระดิกมาได้ผมไม่บวชครับ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 ถามพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงนะเออนี่แหละช่วงนี้ช่วงเวลาน้อยเรียนเพียงกรรมฐานห้าสกอรต่อไปยังเรียนอาการสามสิบสองนักขาเล็บทันตาฟันตะจูหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อนในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ายังค่อยเรียนทีหลังเรียนกรรมฐานห้ากรเพราะมีเวลาน้อยฮ พระอาจารย์พระอุปชาสอนจากนั้นก็เรียนธทรรมเสร็จแล้วพอเข้าใจแล้วไปหาอาจารย์อาจารย์วินัยอนุสาสตร์แปดอย่างนิสัยสีอกรณยกิจสีปัจัจเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมีสีเที่ยวบินทบาทเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเจ้าตรงบินทบาทแล้วก็ใช้ผ้าบางสกุลแล้วก็อยู่โคนต้นไม้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 ออกจากเป็นที่ตำหนิแสดงอาบัติออกได้แต่ให้สำรวมระวังอย่าทำอีกในการกระทานั้นคือตั้งแต่อนยศนิสกียปจิตติปจิตติ92ิแต่นี้พอพระใหม่ได้ยินสอนธรรมก็พอยังรับยังรับไหวสอนธรรม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 ต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่อไม่ควรหนึ่งต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งฮะลืมสติก็ยังเป็นอาบัติอกีกโอ้หนักใช่ไหมพระใหม่พอมาคิดจะรู้โอ้โหตายตายต า, ต า, ตาเราเนี่คิดผิดคิดถูกในบาลาเราอยากจะได้บุญมากทีแรกจะให้ทานรักษาศีลห้าสารรักษาศีลแปด อ่ต่อมาเดนมาบวชพอมาบวชเข้ามาแล้วเหมือนกับเข้ากองขังในบาตรออกระดุกกระดิกไม่ได้เลยเข้ากองขังฮเอถ้าเราทําผิดมันก็ต้องบาป เ, เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วเนี่ยสินผิดสินเนะ่ยต้องบาปแต่เนตบาปเราก็ทานอาหารคนอื่นเขาอีกถอเนี่ยนะเราไปบินทบาตรกินข้าวคนอื่นเขา แล้วมาทำอาบัติอีกตันเนี่ยมาทำบาปอีกมาผิดวินัยอีกโอ้มันบาปซ้ำสองนะไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดได้เกิดละบตัตตายตายตตเอาเอาเอ า, เอาอยัางไงวะถ้าขืนอยู่อย่างนี้นยเท่าเราไปทำผิดวินัยเราก็ฉันข้าวชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก่อนที่จะตักบาตให้เรายกจบแล้วจบอีกปาฏนาสวรรค์นิพพาน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 ก็เลยบวชทําพิธีไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรพระอุปชากับพระอาจารย์ก็เลยหาหรือกันเอ๊ะมันเรื่องเนี้ยทำวินัยเนี้ยไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติทำและวินัยแอบขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ตรัสว่ารมภิกษุยังมีศีลและวินัยทำและวินยัยศีลและวินยันยอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้น แต่นถ้าว่าพระไม่มีวินัยไม่มีศีลน่ะศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้เราต้องไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เป็นเหตุขึ้นมาแล้วเนะี่ยถ้าว่าจะว่าเราสอนวินัยก่อนก็ไม่ใช่เราบวชเข้ามาแล้วจึงสอนวินัยโบวชเข้ามาเป็นพระแล้วเราจึงสอนวินัยแต่เขาก็อยจะซึกรึเปล่เมื่อเขารู้ ว, วินัยเป็นอย่างนี้แล้วเขาอยากจะซึก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 ปฏิปตนอย่างไรเขาขอกลับไปเป็นคารวาสบำเพ็ญทานศีลภาวนาเขาจะได้รับความสุขเขาจะได้ไปสู่สวรรค์แต่นี้เขามาอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนกับเขา้เากงขังแลือเขา้าที่คับขัน อ, ออกไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะผิดวินัยทั้งหมดศีลและวิ น, ยนัยเหมือนกับกงขังไม่ให้พระออกนอกลูกนอกทาง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 ที่อยู่ใกล้วัดคือเป็นชีต้นใกล้ๆกลเป็นเจ้าอาวาสท่านก็แนะนําให้รักให้ทานรักษาศีลจนถึงได้บวชพอบวชมาแล้วข้าพระ อ, องค์กลัวบาปเพราะว่าศีลและวินัยที่พระอาจารย์พินัยสอนให้ฟังน้นรู้สึกว่าทีถ้วนมากมองไปที่ไหนแตะที่ไหนก็ไม่ได้ยัจะจะย่องก้าวเดินไปที่ไหนก็พิพิพนัยทั้งหมด จะพูดอะไรก็ผิดวินยัยจะทาอะไรลงไปก็ผิดวินยัยข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะรักษาสินและวินัยจุดนี้ได้พระเจ้าค่พะพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าเธอมันมากเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ามันมากมากรักษามากถ้ า, าเธอรักษาอันเดียวนีกสิ่งเดียวนรักษาได้ไหมโอ้ท่ า, าว่า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 อย่าให้มันคิดให้มันคิดแต่อยู่ในทำคาสอนที่เราตถาคตให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่างนั้นได้ไหมได้พระเจ้า่าเนี่ยจากนั้นก็โหยิ้มแยม้มแจม่มใสออกมารักษาอันเดียวจากนั้นก็เขาก็ตั้ง อ, อกตั้งใจด้วยศรัทธาของเขารักษาอันเดียวจริงเหมือน ไม่นานเขาก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นี่แหละรักษาอันเดียวสรุปแล้วเรามาพิจารนณานดูแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงๆรสรุปแล้วหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงจริงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าให้คนตายเนี่ยใจออกจากร่างแล้วมันจะทาอะไรได้ใช่ไมล่ะ จะทำอะไรไดท้ที่มีใจอยู่นั่นแนะ่ะจะด่าให้ใครก็ได้จะโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ใช้วาจาแล้วกเ็เห็นมดเห็นมแมลงมาก็บียุง บ, บีมดฆ่าคู่ฆ่าคนทำอะไรทุกอย่างปานาอธินากาเมมุสาสุรานะมุสาก็คือใช้วาจานะจากนั้นก็มีแต่เรื่องการกระทำกระทำทางกายถ้าห้ามใจเสียอย่างเดียว ใจเป็นสินใจเป็นธรรมใจมีสมาธิอยู่ตลอดจะไปทําความชั่วได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนสอนใจอย่างเดียวเอาใจเป็นใหญ่เอาใจเป็นหลักเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านถ้าเรามาพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วท่านถือเรื่องใจเป็นใหญ่มากใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า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 เวลาเห็นครูบาอาจารย์ท่านพูอทำหน้าทีา่ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธเจ้าหรือคู่คนผู้มีทำคุณให้กับประเทศตัวเองนะั้นไปกัดเขาแหละยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาแหละไปดูถูกเย็ยดยมปลามาดเขาอย่างมากๆในใจทั้งที่ไม่ออกปากมันอยู่ในใจปลามาท่านไหมละ่ะอันนี้แปลว่าจิตประเภทหมาบ้า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 ใจหน้าโง่ใจของเราเนี่ใจหน้าโง่โง่จริงๆรงไม่ได้มองอะไรเลยคิดว่าตัวเองฉลาดอย่างนั้นใช่ไหมใจใจหมาบ้าใจหน้าโง่ทาไมถึงไม่มองให้หาเหตุหาผลคิดไปแล้วจะไปประมาทท่านได้อย่างไรทำไมคิดได้อย่างไรใจหน้าโ ง, ง่อย่างนี้ถาว่าพวกเราทันใจของตนเอง มันก็หดเปิ่นกันนะเพราะปัญญาทันมันทําปัญญาไม่ทันมันไอ้ความคิดตามหลังหมาป่าขนานั้นแหละมันกระยุไปกระกัดดะไปหมดเลยสินี่มีแต่ใจของเราทุกๆุกทําไมใจของเราเนี่ยส่วนเลือกเราเราไม่อยากจะประมาทเลยครูบาอาจารย์กานก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทําไมมันใจของเรามันออกไปก่อนแล้วเนี่ยอหมมันแลบออกไปก่อนล่ะมันลังมาอยู่ดึงหางไว้กับหาง